่วนกันอืม่าโทรมาบอกพออกมาไหพออกมาไหมออ่าฟังทกันได้ทำสอนตัวเอง ช่วยสอนบ้างแนะนำบ้างสมัยข้างพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่คงแก่พิมสอนภิสูุอยู่เสมอว่ให้มีสติอย่าประมาทเป็นการพริมสอนของพระถาคนอยู่เช่นนั้นความมีสติไม่ประมาท อยู่กับเราได้ทุกโอกาสอนามานามาสอนตัวเราอยู่เสมอเป็นกระจกส่องเงาตัวเองเห็นลูกเห็นนามดูกายเห็นจิตดูกายก็เห็นจิตดูคิดก็เห็นธรรมแต่เหมนคิดก็เป็นธรรมแล้ว ไม่เป็นธรรมวันใดก็ เ, เป็นธรรมวันหนึ่งเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีถ้าความคิดเป็นอกุศลก็คิดไปบวชปองร่ายกรมละคา้าปฏิกะมานาทิฏฐิปุงปุงหนังแดงนี่ว่าเป็นอกุศลก็ต้องละ เกี่ยนอกุศลเป็นกุศลซะที่ว่าปฏิบัติธรรมต่องคิดดีคิดถึงศีลถึงธรรมคิดถึงพระพุทธเจ้าอน้มเอาคําสอนมาใส่เราคิดเรื่องใดงั้นเป็นเรื่อนั้นคิดถึงว่าพระพุทธเจ้าก็เกิดพระเจ้าในหัวใจคิดถึงพระธรรมก็มีธรรมในใจ ก็ไ ม, มไม่หลงเป็นธรรมก็ไม่หลงเป็นธรรมดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมอยู่ในขนาดเดียวกันแล้วเราก็ดูแลตัวเราสอนตัวเราใช้ชีวิตตามปกติอย่าเคร่งเทียเชี่ยงเฉิมอย่าให้ยากอย่าให้ง่ายสนุกไปกับการงาน มันทุกความสนุกเป็นสุขเพราะทำงานไปกิ่เยี่ยมแฉมสายอยากก็ต้องกระเทือนให้ผิดให้ถูกผิดอภิษไม่ชอบ ถ, กกถูกก็ถูกก็ชอบไม่ใช่อย่างนั้นไม่สนุกเหมือนกับ็ทุกประเทือนตัวเองอยู่เสมอไม่รลิกเรียบ เหมือนกับพะหนะไม่เรียบก็บทุกข์กเทือนหน้าที่หัดไม่ดีก็วิ่งไม่เรีย บ, ยบนั่งนะขี่หลังไม่สบายขับรถไม่ดีก็ก็กทุกข์กเทือนทั้งเบรกหลวมทั้งเบรกทั้งเบรกคันเล่ง ทั้งพวกวันอะไรองค์อะไรก็เป็นเบรกอันหนึ่งทำให้กับปุ๊บกัเทือนหลุมก็เป็นกระทุกขึ้นหนึ่งการเล่งก็เป็นหลุมมนหนึ่งไม่ราบเรียบก็ก็ฝีมือมาค่อยดีแล้วก็ต้องมีฝีมือสอนตัวเองเนี่ยให้เรียบเรียบ อย่าให้ผิดเป็นผิดผิดถูกเป็นถูกให้ผิดคือรู้สึกให้ถูกคือรู้สึกมันเรียบดีให้ทุกข์คือรู้สึกให้ไม่ทุกข์คืรู้สึกมันเรียบดีอ่าเรียบแล้วก็เรียกว่าสุขภาพติปัติภะ ปฏิบัติสะดวกรู้ธรรมะได้ง่ายถ้าปฏิบัติไม่เรี่ยมกระทบกระทืบผีผีทุกทุกเสมอถ้าผิดก็ไม่ชอบถ้าถูกก็ชอบมันเป็นทุกข์าปฏิปทาทันท่าปัญญาปฏิบัติลำบากรูได้ยากกระทบกระทืบอยู่เสมอจงใช้ชีวิตตามปกติ อบอุ่นดีมีเพื่อนมีกันยาในเมธใครก็หลงเราก็หลงใครก็รู้เราก็รู้เหมือนกันหมดไม่มีแตกต่างกันพระเจ้าก็หลงพระเจ้าก็รู้พระสาวกทั้งหลายก็หลงก็รู้เหมือนกันวาสกปวิิกาก็หลงก็รู้เหมือนกันหมด เห็นใจคนที่หลงเห็นใจคนที่ไม่หลงเราก็คนหนึ่งเหมือนกัในให้เราครับสอนเราอยู่เสมอมันก็ทําเป็นทําได้ทีกวัวเก่าแล้วหวังการใช้ชีวิต ร, ราบเรียบกวัวเก่าแต่ก่อนทุ้บกระเทือนอยู่เสมอตัวัดาลาวก็เรียบดี เหมือนปึกหัดมาแต่ก่อนเคยเคยหัดมาแต่ามาตัวไหนมันวิ่งเก็บลูกวิ่งไม่ดีก็ให้คนที่มีฝีมือนั่งหลังหัดมันก็วิ่งดีได้วัวหัดกว๋วยททเทียมล่เทียมเกียนก็เหมือนกันเมันลงโคนลง ที่คนลงเบึงลงม้วยถ้าหัดขับไม่ดีมันก็มันก็มีน้ำใจเหมือนกันอัวหลังกั น, วกนเวลาหัดมาเวลาเราขี่หลังเราก็ลูกมันเจ็บลุกวิกงผิดเราก็ชักสายบังเหียนชักหน่อยก็เอกขาสอนมันไม่ใช่คำพูด เอาขาเอาต้นขาสอนมันแล้วก็ชักสายบังเหียนไอ้รามผิดที่ใดก็ชักสายบังเหียนมันแล้ก็เจีบลูกวิ่งได้ดีไม่เกระทบกข์เทือนแต่เวลามันผิดเราไปตีมันขนาดมันไงมันก็ตื่นแล้วก็คอยระวังเสมอก็คอยจะผิดภาดไม่ใช่ปกติ เราทำเกียนหลองน้วยขึ้นหนองเหมือนกันเวลามันดันหนักๆไปตีไปเขี้ยนมันมันก็ตั้งเก็บทั้งหนักมันก็ไม่เอาไม่เอางานทิ้งไปเลยถ้าเราใช่เป็นมันก็เอางานเอาใจเจ้าของอย่าไปเขี้ยนไปตีมันเอาเลยลูบหลังลูบข้างมันพูดดีๆ เหมือนโคดันทวิศารเจ้าของโคนันทวิสาลผู้เจ้าหน่อยได้ไหม <laughs> โคดันทวิศารเป็นโคมีกาลังมากเจ้าของโคเป็นคนขี้ทุกข์ขี่ยากแต่ว่าอาศัยโคดันทวิศาลไปแค่งานขน สิ่งของพอได้อยู่ได้กินแต่มีกำลังมากก็ไปท่ากักบเ<อ> <c oughs> จ้าของสิ่งของที่บ้างมาขอรับจาบ้างบอกว่านันทวิชานขนได้ เจ้าของขบสิงของก็บอกว่าคนไม่ได้มันมากเกินไปเจ้าของโคก็บอกว่าได้ได้มีคนพนันกันขึ้นมามีคนอื่นมาพนันเห็นเจ้าของโคคุยว่านันเทวิสารของเราขนได้เขาก็บอกว่าคนไม่ได้ก็ถ้าพนันกัน เสียเงินเส้ยทองนี่เจ้าของคนันทิพย์สารเอาของขึ้นเกวียนให้คนอนทิวิสารลากก็พูดไม่เหมาะไปไอ้นันทิวิสารเธอจงไปเอาให้ไปให้ได้อย่างู ด่าทันที่ตำท่าถือไม่เลียวหน้าดาโบดเบื้องตีกันที่พิสารงานที่ิสารก็ตำท่าดันก็ตำท่าดันก็ทั้งเจ็บปวดทั้งเสียใจไม่มีกำลังใจเจ้าของก็ด่างานที่ิสารก็ทิ้งเวียนไปเลยเจ้าของโคก็เสียเงินเสียทอง นั่งทุกข์ก็ทำดิสานก็สงสารเจ้าของก็มาเหลียขาเหลียข้างเหลียมือดมเจ้าของสงสารเจ้าของําท่าจะช่วยเหลือมา ด, ดิสานก็อยากจะไปขนอกีก เรอยไปอีกไปขนอีกเอามาอีกดันดีสักครั้งหนึ่งแล้วของโคก็ขอขอีกสักครั้งหนึ่งทดลองอีกตัวนังเิวสารเทียมเขียนเข้าให้ลูกพ่อจงช่วยพ่อพวกเป็นคนทุกข์ยากจงช่วยให้พ้นทุกข์พ้นยากเจ้าจงนันของเจ้าจงลาเกเรียน นี่ไปให้ได้ลูกพ่อนันทวิสารมือรูปหลังรูปข้างนันทิสารก็ล่าไปได้เลยถึงจุดหมายแปลทางแล้วของโคก็ได้เงินได้ทองเป็นเศษฐีขึ้นมาทันทีนี่นแต่สันก็มีน้ำใจอันตัวเราก็ให้เคลียร์กันบ้าง ไ, ไงไม่เป็นไรหลงไม่เป็นลายอยไปเอาแย่เอาผิดเอาถูก หลงแล้วหลงไปแช่ใหม่ได้อยู่ผิดลาบเวลามันหลงก็ชื่นใจเหมือนแม่ดูแลลูกเวลาเห็นโยงจับลูกกาลังโดดเลือดลูกน้อยอยู่นเวลาไล่ลูกออกฉากรูกแม่ก็ภูมิใจน่าจะภูมิใจเวลาแย่ผิดให้เป็นถูกเนีย่ยเวลามันผิดไม่น่าจะให้ผิดเป็นผิดให้ถูกเป็นถูก ถูกก็เหมือนกันผิดก็เหมือนกันทําใจให้เป็นปกติเป็นศิลปะไม่ใช่กระทบกระเทือนผู้บรรลุธรรมไม่เหมาะที่จะเป็นจิตแบบนั้นผู้บรรลุธรรมเหมาะที่เป็นจิตเรียบเรียไม่เป็นลายนิ่งนิ่งิ่เยี่ยมจ่มใส อยากยากเป็นยากเกลียดความยากเกลียดความผิดอยากให้มันถูกชอบความถูกชอบความมากนั้นเป็นกิจที่ไม่เป็นกลางกางสอนตนก็มีศิละปะเหมือนกันเพียนหนังผิดก็ไม่เป็นรายรู้ ได้ไประโยชน์จากความผิดนั้นผิดเพ่ให้เราได้โลภแต่เหมือนถูกก็สทำให้เราได้โลภเท่าเท่ากันให้ภาวะที่โลภเนี่ยเหนือสุคเหนือทุกข์เหนือผิดเหนือถูกใช่ให้เป็นอย่าให้ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกหลงเป็นหลงรูง้เป็นรู้ให้มันรู้รักษะเดียวกันเหมืน เป็นกลางทวาที่ลูกเป็ น, นกลางกลางไม่เป็น้ายจัดหัวจัดเวลาสอบก็ลงมไปสอนมืองจีนเขาก็ามาพูดในฝั่งนักษพูดถ้าทางคนที่พูดก็มั่นใจ ตัวหน้าตาก็มั่นใจบางคนก็สุดตรงนี่คนบางคนก็พูดขึ้นว่าเขามั่นใจอะไรอลไก็จเกิดจากความหลงที่มันคิดที่มันคิดว่ามันหลงนี่แหละ ถ้าเราไม่หลงก็ไม่คิดถ้ามันหลงเราก็คิดนะ่ะเป็นภพเป็นภูมิเป็นชาติเป็นทุกข์มันความคิดที่ไม่ตั้งใจนั่นนะ่ะเพราะเราหลดรู้มันก็ไม่มีก็มั่นใจตรงนี้มากบรก่าเขา เขาเข้าถึงจิตเดิมแท้ได้โดยวิธีนี้เพราะว่าถ้ารู้มันก็เป็นภาวะที่เห็นจิตเดิมแท้แต่บางคนก็บอกว่าจิตเดิมแท้คือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเคลื่อนไหวมือต่าเคลื่อนไหวมือไม่ใช่จิตเดิมแท้ เราจิตมันถ้าต้องดึงนิ่งอะไรเอาผิดเอาถูกแล้วก็บอกเขาไม่เอาสาธิตให้เขาดูมีเชื่อเขาพูดเทีย น, นพูดว่าเชื่อขาดาดึงก็มือเครื่องขวบเป็นสุกอรต่งนี้ ถ้าเป็นทุกข์ Complex, มาทางนี้มันไปอย่างนี้มันสุขมันทุกข์ไปอย่างนี้ก็มันไม่ยังไม่ขาดสุกขก็ามาทางนี้ทุกข์ก็มาทางนี้เพราะมีอันนี้อยู่ถ้าเป็นสุขมันสงบก็อยู่อยู่นี้นี่ถูกแล้วทุกแล้วถูกแล้วเอาสงบซะมันไม่สงบผ ม, มผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วเป็นผู้ผิดเป็น ผ, ผ, ผู้ถูก เราพูเทียนเพราะว่าเชือกขาดเพราะเราลู่เสมอรู่เสมอผิดผิดมันก็ลู่มันเป็นเนี่ยถูกมันก็ลู่เชือกตรงนี้มันขาดแล้วมันลู่ว่าให้ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเพราะตัวนี้มันขาดผิดมันก็ออกบางนี่พอจะให้ผิดมันไม่ยอมพอจะให้ถูกมันก็ไม่ยอมจะให้ทุกมันก็ไม่ยอมจะให้รักมันก็ไม่ยอมจะให้พอใจไม่พอใจมันไม่ยอม มันไม่เอามันเป็นอย่างนี้มันหลุดตรงนี้แล้วใช้ไม่ได้เหมือ น, นอโนดเปียวหวานก็ใช้ดึงมันดึงไม่ออกมันดึงไม่ได้แต่มันเป็นลูกอยู่มีกายมีใจอยู่รู้อะไรอยู่กินเดินดั้งนอนพูดจาป่าใสอยู่จะ ใ, ใ, ให้หลงในความสุขหลงในความทุกข์มันไม่หลงให้หลงในความรักของชังก้นนี้น่ารักก้นนี้น่าเกลียดชังนะ มันก็ขาดออกมันใช่ไม่ได้คม ข, ขืนตัวเราการที่บังเข้ามาโกรธมขมขืนตัวเองม า, ากมการบังเข้ามาทุกข์บังคมขืนมันทาให้ลงอันนี้เป็นจิตเดิมแท้ก็เลยชอบเรื่นี้นะเพราะนั้นน่ะจิตเดิมแท้มันติดนอ้มันไม่ให้ใช่จะใช่เป็นสุขไม่ให้ใช่ใช่เป็นทุกข์ไม่ให้ใช่ถ้าเป็นกบ ล, ลักกบลัก เพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือถ้าทุกข์ก็ช่วยเหลือทันทีถ้าสุขก็ช่วยเหลือทันทีไม่ให้สุขไมให้ทุกข์อันนี้เป็นความรักนั้พระเจ้าเป็นยอนนักรักนักเพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือเพื่อับผิดชอบไมให้เกิดความเดือดร้อนรักแบบนีรักอบบาตร์นันก็เลยอันนี้แหะจิตเติมแท้ ถ้าเป็นสุขไม่ใช่จิตเดิมแท้เป็นทุกข์ไม่ใช่จิตเดิมแท้หิดก็ไม่ใช่จิตเดิมแท้ถูกก็ไม่ใช่จิตเดิมแท้จิตเดิมแท้มันไม่ให้สุขมันไม่ให้ทุกข์อันเดิมจริงๆมันมันอยู่เนี่ยแต่เวลาไม่ใช่แรงก็อยู่เนี่ยจะใช้มันพอใจจะใช้ไม่พอใจมันไม่เอามันไม่มันไม่มันไม่ถูกต้องความถูกต้องมันไม่เป็นอะไรกับอะไา ชีวิตของเรามันสอนได้อย่างแน่วนี่เราม่ิดรู้จักตัวตัวภาวะที่รู้ไยเป็นสารถีอ่สารถีสัาเทวบรุษสานังคือสอนบุรุษสอนคนที่สอนได้ยิ่งกว่าไม่มีใครที่สอนได้เหมือนสารถีตัวนี้มันสูข ก, ก็ูมันทุกขกุลูเป็นสารถี เหมือนฝึกบ้าฝึกข้างฝึกหัวฝึกกว๋วยฝึกกรุ๊ดต้องถือดามือนผมั้งหลายเหมือนกันหมดจัดโลกทั้งหลายเราจึงมาฝึกตนสอนตอนสิงที่เราเป็นเครื่องเงือก็คือสิตติแล้วก็มีกายมีใจมีรูปเป็นรูปเป็นนามอยู่ มีอะไรที่ทำให้เราฝึกอยู่ตรงนี้เอามาเจ้าหนวดก็เคลื่อนไหวให้ลู้อยู่นี่แต่อันที่มันจะลู่มันก็หลงไปดังเดินก็ฝึกตัว น, นั่นแหละจะระ ถ, ถีแล้วมันหลงไปทางก็ยิก่ก็ฝึกแล้วรู้จึกตัวลนะสาระถีแล้วสอนแล้วหลงที่หนึ่งสอนที่หนึ่งให้ลู่สุขที่หนึ่งก็สอนให้ลู้ทุกที่หนึ่งก็สอนในลู้ ไม่ใช่เอาผิดไม่ใช่โอาถูกไม่ใช่โอได้ไม่ใช่เอา ไ, ไ, ไ, ไม่ได้ไม่มีอะไรไม่ต่รู้นี่สารวทีผู้สัตทีผู้ฝึกคือธรรมะเนี่ยมีอยู่กันทุกคนทำให้เป็นทำให้เป็นอย่าให้ยากอยให้ง่าย ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายราว่าที่รู้ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายตัอหลงก็รู้มันไม่หลงก็รู้มันสุข ก, ก็รู้มันทุกก็รู้มันสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้นี่สารถีที่เขาเองไม่มีใครเห็นเราหลงไม่มีใครเห็นเรารู้ ไม่มีก็เห็นเราสงบไม่มีก็เห็นเราพุ่งชนถ้าเรามีสติเราเห็นเองไม่มีตรงไหนปิดบังพางาเป็นงานเปิดของปิดออกเป็นการหายของคว่ำที่คว่ำไม่ขึ้นมาพระเจ้าสอนอย่างนี้ถ้าหลงเป็นลูกพระเจ้าก็อยู่เฉพาะหน้านี้แล้ว เราก็เลยช่วยตัวเราเลยช่วยคนอื่นไปในตัวเช่มีความรักช่วยตัวเราได้ไม่ทำให้ใครเลือดร้อนไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนถ้าเราหลงก็ เ, เท่ากับเราไปช่วยตัวเองไม่ช่วยคนอื่นถ้าเราทุกก็เท่ากับเราไปช่วยตัวเองก็ช่วยคนอื่นไม่เป็น ถ้าเราไม่ทุกขแล้วัา น, นแหละคือช่วยกันคือความรักพนุษย์ยิย่งใหญ่ไพศาลไม่เช่ดลักแบบโลกลักแบบโลกตละไม่มีการเปลี่ยนแปลงรักเพื่อช่วยเหลือเพื่อเคารพเชื่อฟังเห้เราลักก่อลักแม่ลักพันยาสามีลักลูกลักเต้า เราก็ช่วยเหลือเพระเจะให้อะไรเป็นความสงขความสงบไม่จะหนีไม่ลบกวนไม่ทำไมใครเ อ, อืดร้อนนี่คือความรักเป็นธรรมาต่อเพราะนั่นคือพระวะเนี่ยมันรู้อยู่แล้วางพระวะที่รู้สึกตัวเนี่ยไปไกล เป็นมกักเป็นผลเพราะว่าที่หลงก็ไปไกลเป็นอํา บ, บางภูมิต่ําถ้าหลงเป็นหลงไปทางต่ํามันจะแยกตรงนี้ถ้าหลงเป็นรูปไปทางนี้ไปทางสูงถ้าหลงเป็นหลงไปทางต่ำํำมันน้ำไหลจ า, ากที่สูงสู่ที่ต่ำํำยิฐของเรานี่ยมัมมกจะไหลสู่ที่ต่ําได้ง่าย สุขก็สุขได้ไปง่ายๆแบบเนี้ยทุกข์ก็ไปแบบเนี้ยมันต่ําถ้าสุขก็รู้ไปทางเนี้ยไปทางเนี้ยสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ไปทางเนี้ยมันแยกตัวนี้ถ้าสุขเป็นสุขไปทางตำ่ำทุกข์เป็นทุกข์ไปทางต่ําิรุเวคนเหมือนกันหมดปูนกันบใบ ใตดวงจิตดวงเดียวเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นพอใจไม่พอใจเพราะมันไปทางต่มถ้าเหมือนสุขรู้มันทุกข์รู้มัก็เป็นมนุษย์ขึ้นไปมนุษย์เท่านั้นที่ไดบรรลุธรรมเป็นพระได้คนไม่สามารถเป็นพระได้สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงเป็นคนธรรมดาถ้ารู้เป็นมนุษย์เป็นพระไปเลยเป็นมรรคกุณิพานไปเลย มันไปทางสูงแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเป็นโอปาให้ฟังสัมผัสตุเล่เป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นไม่ได้จะให้ไหลไปทางตอมแั้นก็เคยกินแล้วเหมือนเหมือนเป็นอัตโนมัติมันหลงแท้ๆําให้เรารู้สูขัวเก่าขึ้นมา หลงที่หนึ่งสูงขึ้นมาหน้าหลงที่หนึ่งเก้าไปมันเก้าออกจากที่เก่าหลงก็ทําเราไปไกลหลงสองข้างไปไกลรู่หนึ่งข้างก็ไปไกลถ้าหลงถ้าหลงรู่กไปไกลกาอย่าฆ่าศึก ต่อไปเนะี <c> ่ย <oughs> จำนี้จำนานอยากเห็นความหลงอยากให้เห็นอยากให้บรนทุกทุกอยู่ที่ไหนมันก็ตือนรล้นการเห็นทุกเนี่ยโอ้ยมันภูมิใจจะได้แค่ไขไม่ใช่เห็นทุกลกลัวหดทูเศร้าหมองไม่ใช่ทุกเน่ะก็ตือนรล่นว่า อย่างพระเจ้าเห็นทุกเนี่ยเห็นนั่นประเสื่อการตัสิรู้เนี่ยเห็นนั่นประเสื่อเห็นทุกเหมือนเราไปเห็นงูพอเห็นแล้วก็ซึ่งใจะจะได้ช่วยตัวเองให้พ้นจากงูซะพ้นจากภัยอันตรายซะจนไม่มีภยัยเทบัน เห็นในพระวี่รู้นี่เป็นนวงตาหน้าโลกรู้โอกลืนขึ้นมาให้ได้อะไรก็พยายามใช้ความรู้สึกตัวเกี่ยวข้องต่อนพูดก่อนทำก่อนคิดเหมือนกับขบเคี้ยวธรรมวิจยะเหมือนเคี้ยวอาหารที่เกินลงไปละคอเรา กบเขี้ยวจึงเกินลงไปอะไรที่สมบัติกับชีวิตเราอะไรเหมือนกับกบเขี้ยวผมรู้สึกตัวมันคลองถ้าผ่านเขารู้สึกตัวแล้วบักจะไม่มีโทษมีภยัยนู้แล้วอย่างนี้ทุกก็รู้แล้วสุข ก, ก็รู้แล้วอนสุขไม่เป็นภยัยทุกข์ไม่เป็นภัยอีกแล้วรู้แล้วคำว่ารู้แล้วนี่ยมันพ้นไปแล้วจบแล้ว เอาไว้หลังแล้วมาอยู่ข้างหน้าแล้วเอาไว้หลังเรื่อยๆไปผ่านไปเรื่อยๆไปมั่อวันผ่านความหลงผ่านความทุกข์ผ่านความพอใจผ่านความไม่พอใจนี้คือทางมันก็รู้เองอะไรพุนไปก็รู้มันก็หยันตรงนี้แหละ อยากเห็นทุกข์จะได้แค่อย่างหลวงพ่อเทียนสอนอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นรูปทุกข์เห็นนามทุกข์เนี่ยเจอเข้าไปจริงๆนะไม่เคยช่วยเราไม่เคยจริงๆไม่เคยช่วยรูปไม่เคยช่วยนามพอไม่เห็นแล้วก็ตื่นรุนช่วยรูปช่วยนามอย่างขยันขันแข็งจริงๆตัวเนี่ยมาเห็นรูปทุกข์เห็นนามทุกข์เนี่ย แต่ก่อนโอ้ยสงไม่ค่อยรู้จักพอมาเห็นรูปทาเห็นน้ำทํเห็นรูปทุกน้ำทุกเล่าเลยมาเห็นทุกหลไม่เคยช่วยตัวเราเนี่ยเสียใหญ่มากคิดผ่านไปทั้งสามปีน้ำตาซึมเลยสงสารตัวเองนะพ่อแม่ก็ไปสอนเรื่องนี้ไม่มีใครสอนเลยเกือบตายลอวนตายไปก็ได้ก็ตื่นรุน่น มาเห <c oughs> <c oughs> ็นทุกเห็นโูกทุกเห็นน้ำทุกเห็นโลกโลกเห็นน้ำโลกนี่เป็นสายไปมาคนหมอไปพ่นพบโลกพุบเชื่อโลกโหพุบเชื่อโลกก็มียารักษาอย่างเดียวเห็นโลกสมมุติเห็นน้ำสมมุติเนี่ย พอเห็นรูปสมมุติเห็นน้ำสมมุติอาจะมีความยิ้มหน่อยๆจากน้ำตาซึมงูมะเกิดจากสมมุติปัญญาตขึ้นมาอันสมมุติไม่ใช่จริงนะประมาตจริงกว่าเช่นความหลงไม่จริงก็เห็นความไม่หลงจริงหรือว่าสมมุติวัตถุก็มีนางมะธรรมก็มี แต่ก่อนเราก็เป็นหมสเสียสร์มีคาถาเงียสมมุติปัญญัติถือมัน่นต้องปฏิกรรมคาถาถ้าไม่ปฏิกรรมรักษาคนไม่หายกาถาบางบทปฏิกรรมให้ตัวใหญ่้าถาบางบทปฏิกรรมให้หลอกตัวเอง บางทีก็ถึงนิมิตหลกตัวเองแล้วก็กมองเห็นสมมติลื้อถอนเมื่อเปิดประตูทําก็ได้ตรง น, นี้ยเห็นสมมติเห็นปรมัติตเนี้ยเหมือนกับประตูที่เปิดออกปิดได้เหมือนหน้าต่างเปิดได้ปิดได้เหมือนประตูเปิดได้ปิดได้ เมืนเราดูโทรทัศน์รายการต่างๆวิตยุสื่อสารต่างๆรายการที่มันคนอื่นใหมาปิดได้ไม่ถูกต้องเลือกได้ละปฏิชีวิตเลือกได้ <c oughs> <c oughs> ee, มาเนี่ยนี่พอมาเห็นตัวนี้นะหลองตาอยากจะบอกว่าประรตูทำอย่างนี้โดยเห็นสมมติเห็นบรรัญญัติเห็นป ร, รมิมาณ เห็นวัตถุอาการเป็นอารมณ์เป็นทางไปของการดำเรนิชีวิตถึงจุดบหมายปลายทางสู่ความหลุดพ้นเห็นสมมุติเห็นมันหยาดเห็นเวละมัดเห็นวัตถุอาการต่างๆที่มันพ้องที่สุดอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยพอใจก็สมมุติเออกก็ไม่พอยใจก็สมมุติเออกมันหาดเอา ชโชคสมมุติเดาไม่ชอบสมมติเดาอันทีส่สมมุติไม่ใช่ของจริงปณิมัติจริงกว่ามันมีอยู่ด้วยกันเช่นความ่เที่ยงมันก็จริงแบบนั้นแต่มันไม่จริงแบบความเที่ยงความทุกก็จริงแบบทุกมีจริงจริงเป็นทุกความมีจริงจริลองให้เสียใจแต่ความไม่ทุกอ่ะ มันไม่ความไม่ไม่ทุกข์มันไม่และก็มีอยู่จริงๆในความทุกข์มันเป็นสมมุติในความไม่ทุกข์มันก็เป็นปรมาทัศน์ของจริงของไม่จริงมันอยู่ด้วยกันพระพุทเจ้าจึบอกว่าเห็นความไม่เที่ยงเป็นนิพพานเห็นความทุกข์เป็นนิพพานมั น, น, นมคือเรื่อง น, นี้แหละเมื่มาเห็นสมมุติเห็นบัญญตัติเห็นปรมาตัตน์นันก็เป็นสิ่งที่บงบอก มันไม่สามารถข่มขินตัวเองได้ความพอใจความไมพอใจอ่ะมันเลยมันเลยอยู่เนี่ยมันขาดไปกันเลยเนี่ยเห็นความพอใจเห็นความไ่พอใจและความพอใจละความไม่พอใจอในโลกจะได้มีสติเลี้ยงหลยอยู่มีสติแล้วงเหลยอยู่เลยไม่เป็นอะไรกับอะไรก็เจ้าปณิพนธ์ตรงนี้ ตั้งแต่วันเพ็ญดันหกเลยยังใช้ชีวิตตามปกติจนสอนมีคำสอนมากมายแต่ที่แรกมีเท่านี้มีสติปัฏฐานเท่านี้ต่อมาเมื่อมีสังศอนอะไรมากขึ้นเพราะผู้ผู้สอนวัดอะไรต่างๆมากขึ้นกรบวันทึกบันทึกไว้จากป้านนท์ก็เลยมากขึ้นมามีบารปกครองกันมพระสงค์มากขึ้น ก็มีการปกครองกันอาศัยธรรมในขึ้นมาอีกบัญญัติขึ้นมาภิกษุก็ยากก็มีภิกษุนีก็มีอุบาสกก็มีอุบาจิกาก็มีเลยบัญญัติเป็นวิไนขึ้นมาเป็นจิขาขึ้นมาเป็นหมวดเป็นบกขึ้นมาที่แรกการบรรลุธรรมจริงไม่มีอะไรมีแต่กู้แขนเข้าเยื้อเขนดอกอิสติรู้สึกตัว อยู่อย่างนี้เท่านี้เท่านี้ก็พอแล้วคมมือเดียวมันหลงเป็นลูกหลงสุกเป็นลูกลูเดียเท่านี้ไปได้เลยมีกันได้ทุกคนทำด้ทุกคนไม่มีเพศมมไวายไม่เป็นเพศเป็นวยไม่มีลทัทธิอะไรจะบวชด้วยบวชไม่ได้เกี่ยว ถ้าตำหน่งนี้เป็นพระได้ก่อนบวชก็มีกลางพระปั ญ, ปญจวิคีเนี่ยเป็นพระหันแล้วจึงบวช ท, ทีหลังจึงเคยเป็นลูกสงขึ้นมาจำได้ทุกคนให้ให้กระตือรือ้น อย่าไปมองอะไรที่เป็นเรื่องยากเรื่องง่ายให้อมองถึงประวะที่รู่เนี่ยพิกมือขึ้นรู่ได้ก็นั่นแหละหนโพธิ์มีอยู่กับเราแล้วเวลามันหลงรู่นั่นแหละหนโพธิ์ปลุกลงไปซาดลงไปมีความเพียรลดน้ำลงไปขยันลงไปขยันรูลงไปเรือ่องความเพียรมันจะง้องามขึ้นมานอนก็รู่ได้หายใจก็รู่ได้ กันเดากันเจอล้วก็นอนก็ได้หายใจก็หายใ จ, าายจออกกระเด็กดิ้วก็ได้ว่าแต่รู้นี่นะมันอยู่กับเราทั้งหมดเลยเอไปมาชีวิตทั้งชีวิตมีแต่รู้ก็ไปก็เป็นทําให้เป็นทํำให้มันเป็นไม่ใช่มันลูกฝึกให้เป็นตัวสอนตัวอย่างนี้มีปลาอะไรก็พวกเราเป็นมิเป็นเพื่อนกันจะไม่พาหลงทิศหลงทาง น้อนตก็มีโอกาสอยู่เป็นเพื่อนไปมีพลังน้อยๆอาจารย์จงศิลป์อาจารย์โนตอาจารย์อะไรท้งมีเยอะแยะจบตัวนี้นะวันนี้นะรับพระร่มกัน